เ ม, เมื่อตอนทำวัดเช้านะก็ได้พูดเรื่องหลวงพ่อสมัยที่มาบุกเบิกที่ธรรมไฟสุกโตใหม่ๆแล้วเมื่อกี้ก็พวกเราก็ได้ฟังนะเจวตมาเล่าว่ามีฐานป่าวิครบมือนะสิบคนมาล้อมสาลาแล้วก็มีคนขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อที่จริงไม่ใช่เฉพาะฐานป่านะที่มาล้อมสาราเนี่ยฐานรัฐบาลเนี่็เคยขึ้นมาที่วัดนะ ทำนองมาตรวจค้นนะทั้งที่หลวงพ่อก็มีแต่ศูนย์เด็กแค่นั้นแหละก็มีพระเนนแล้วก็เด็กแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นก็มีชาวบ้านนี่คนหนึ่งนะ้แม่อ้วนนี่เมียพ่อเปรมก็ไม่พอใจมากนะที่ที่ทหารมาทํำแบบนี้กับหลวงพ่อเหมือนกับว่าระแวงหลวงพ่อเป็นคอมนิสเนะี่ยแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าพูดว่าหลวงพ่อเนี่ยสอนดีนะสอนให้ชาวบ้าน เป็นคนดีเลิอกอบายามุกนะนะถ้าหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็จะเป็นด้วยนะว่าคอมมิวนิสต์เป็นดีแบบนี้นะพูดขนาดนี้นะกับทหารนะว่าถ้าหลวงพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าแกก็เป็นด้วยนะไอ้ชาวบ้านก็ปกป้องหลวงพ่อเพราะว่าเข้าใจดีว่าหลวงพ่อทําอะไรอยู่แต่ที่จริงเนี่ยซิ่งซีน่านกอนนั้ น, น, นนะคือหลวงพ่อท่านมีความมั่นคงอ่าหนักแน่นด้วยนะ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 สมัยก่อนเนี่ยพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้แต่เป็นพระพิปั ส, สนาเนี่ยถ้าเกิดมีนักศึกษาขึ้นมาหรือมีพระบางรูปที่ทําตัวแปลกแปลกนะแปลกแปกในที่นี้หมายถึงว่าสนใจธรรมะแต่ว่าก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่มากระซิบว่าเนี่ยระวังนะพระรูปนี้นี่บางทีเจ้าว่าหรือหลวงพ่ อ, อท่านเหล่านั้นก็จะระแวงอย่างอตมาอย่างช่วงช่วงเดียวเดียวกันเนี่ย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 รู้รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะนั้นท่านก็ไม่ได้เชื่อคำพูดของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสมอไปจริงๆท่านก็ประสบด้วยตัวเองด้วยว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอที่ผิดพลาดที่ละแวงเกินเหตุก็เยอะเพราะตัวท่านเองก็โดนเองถูกเจ้าถูกแนวเพลกล่าวหาว่าเป็นแนว่วมคอมมิวนิสต์นะในที่ประชุมเลยนะ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 ไม่ให้มีอะไรมารบกวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการที่ท่านทำเองได้หรือว่าเรื่องสายตาความไม่เข้าใจจากเจ้าหน้าที่นันนก็ทำให้พวกเรานี่อยู่ได้อย่างสงบสุขนะแล้วก็มั่นใจอุ่นใจว่ามีผู้ป ก, ปกป้องเราอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัมมาก็อยู่ได้นานเพราะว่าจริงๆอัตมาก็พฤติกรรมก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เหมือนกับพระทั่ ว, ว, วไปนะ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 การทําอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยก็มักจะถูกคนละแวงถูกคนเยอะเยยถักถางหรือว่ามุ่งร้ายแต่พอทําไปทําไปเขายอมรับแล้วเขาก็จะยกย่องนับถืออันนี้เป็นธรรมดาลโลกหลวงพ่อท่านเลยไม่หวั่นไหวไปกับไอ้คำยกย่องเสรเสรินั้นด้วยเพราะท่านรู้ว่ามันก็เป็นธรรมดาลโลกอ่าเราก็เตรียมรับผ่อน